เล่าเสียง 1 เลโดยพรรัตนสุวรรณคำนำเรื่องเล่าเสียงสวรรค์ ลักษณะที่ข้าพเจ้าได้รวบรวม 2509 ไป 2510 250 2516 ฉะนั้นจึงอาจต้องทําเป็น 3 หรือ 4 เล่ม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 ละเรื่องโลกทิพย์ประกอบด้วยอันพร 2516 สำนักค้นคว้าทางวิญญาณในวุ่งเล็บชั่วคราวค้นคว้าทาง 47/2 ถนนบางลำพูกรุงเทพมหานครโทรศัพท์ 02 282 2025 เข้าตรอกข้าง